เขาทำอเทศนาแผ่นที่70ลำดับที่14โดยหลวงพ่ออินทไวสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่6กุมภาพันธ์ 2,558 ามีชื่อเรื่องว่าเดินตามท่านที่ปฏิบัติผ่านมาแล้ววันนี้เป็นวันที่6 กุมภาพันธ์พุทธศักราช2558วันนี้เป็นวันเข้ามาเดือนถึงเดือนกุมภาและเย็นนี้ลงพ่อของคงจะได้ไปอุดรเพราะงานศพงานศพคนตายเหมือนกันนะลงพ่อนะบางทีก็จะออกไป <c oughs> ทางนู้นทางนี้ดูดูแล้วก็ ที่หลวงพ่อขึ้นป้ายไว้นะ่ะอายุหลวงพ่อขึ้นเลขเจ็การรับนิมนต์ในสถานที่ต่างๆคงจะเพลาหรือหยุดฮะคงจะเพลาและลุคงจะหยุดในที่สุดแต่ก็ยังเข้ามาอยู่แต่ก็ดูๆแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงมองๆรถก็มีแต่อยู่ใกล้ชิด อยู่ใกล้รู้จักมักคุณะรู้จักมักคุนมาก่อนบางทีบางครั้งก็จําเป็น จ, จําใจจะออกไปเพราะว่าบุญคุณก็เ่าบุญคุณคำนี้แหละที่พวกเราจะต้องลําลึกถึงแต่หลวงพ่ออดคิดไม่ได้ลูกหลานคณะสัทายาติโยม เพราะในช่วงนี้รู้สึกว่าไม่รู้ทางพุทธศาสนาไม่รู้ว่าทางโลกโลกในประเทศไทยหรือว่าโลกทั้งจั ก, กรวาลรู้สึกปั่นป่วนคนใจร้อนขึ้นเรื่อยๆแปลกเหมือนกันนะมันเข้าตำนองที่พระพุทธเจ้าจังหวาต่อไปภายภาคหน้าเนี่ยคนอายุเมื่น้อยเท่าไหรอ่อารมณ์ก็ยิ่งร้อนขึ้น อารมณ์โท ร, ราคะโทสะโมหะเราร้อนขึ้นการที่จะให้อภัยซึ่งกันและกันน้อยลงเรื่อยๆมาพิจารณาอยู่ดูในจุคนี้จุดนี้ก็เหมือนกันในเรื่องของพระพุทธศาสนาที่พวกเราได้ศึกษาก็ไม่รู้ใครต่อใครใครก็ว่าใครแม่นใครก็ว่าใครถูกใครก็ว่าใคร ศึกษามาอันนี้แหละถูกต้องแต่ทุกคนก็ไม่ได้เกิดในยุคนั้นสมัยนั้นก็ไม่รู้อันไหนถูกแต่ตามไม่จริงกระอยู่ในพระไตรปิฎกท่านพูดก็ย่างมาเปลี่ยนแปลงอีกเนาะไม่ใช่ฮะไม่ใช่ไม่ถูกอย่างนั้นคืออยากจะให้มันถูกตามใจของตนเองมันก็ยุ่งเหยิ ง, ยงวุ่นวายอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นอันไหนถูกอันไหนผิด แต่ตามไม่จริงทุกคนที่พูดไปกขาบอกตัวเองถูกนั่นแหละมาหลวงพ่อเองมานึกย้อนดูพระในศาสนาของพระพุทธเจ้ากัตสปะอย่างประวัติของท่านพระภัยยะทารุจริยะก็คงจะเป็นลักษณะอย่างนี้แหะหลวงพ่อว่านะเป็นลักษณะที่ว่าในศาสนาของพระพุทธเจ้าปัตสปะเนี่ย อายุยืนสอง0 0ื่ปีที่ก่อนพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยกกุสันโธ โ, โกณะคัมโนกัจโปโณองค์ที่กัจจปโณเนี่ยกัจจปโณสิรสิสัมปะโนจากนั้นกับโคตโมศักยะปุงกโวจากนั้นกับพระอริยะเมตโยที่ยังไม่มาตรัศสศาสนาของพระพุทธเจ้ากัจจปะอายุยืนสอง0 0ื่นปีท่านก็ไม่ได้วางศาสนาเอาไว้ เพราะเหตุไรเพราะคนอายุยืนสาวกองสาวกองสุดท้ายเนี่ยก็ได้รับทำคําสอนถึงสองหมื่นปีเนี่ยที่เป็นพระรหันเพราะนั้นท่านจึงไม่ได้วางศาสนาไว้พระพุทธเจ้าของราอายุ80ปีพระโคตมะพระพุทธองค์จึงได้วางศาสนาเอาไว้ถ้าหากว่าไม่วางศาสนาเอาไว้อายุ80ดสิปี คนที่ได้รับจากพระพุทธเจ้าก็80ปีอีกก็เป็นอันว่าพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าโคตมะนี่ไม่ถึงร้อย0 0ปีก็หมดเพราะ น, นั้นพระพุทธองค์จึงได้วางศาสนาว่าวางหลักพระธรรมวินัยวางพระสูตรพระวินัยพระสูตรพระประมัติ ไว้เป็นแนวทางเอาไว้วางหลักพระธรรมวินัยเอาไว้แต่ถึงยังไงพระองค์ก็บอกว่าอายุ 5,000 นปีศาสนาของเราแต่บัดี้มันป่าเข้ามาถึง ,500 50าอกว่าปีแต่พตระพุทธองค์ก็ได้ตรัสเอาไว้ว่าถ้าหากว่ายังผู้มีปฏิบัติยังผู้มีผู้ปฏิบัตริรักษา ในหลักธรรมวินายอยู่ไม่ว่าแต่5000ปีมากกว่านั้นนะอันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสไว้ท่านก็ไม่ได้บอกเด็ดขาดทีเดียวว่า5000ปีศาสนาจะหมดไม่ใช่แต่ถ้ายังมีผู้ปฏิบัติอยู่คงเส้นคงวาอย่างรักษาแนวทางปฏิบัติอยู่ศาสนาของตถาคตก็ยังยาวกว่านั้น ทนี้มาพิจารณาดู ม, มาถึง 2,557 ปีปีนี้รู้สึกว่าพะพุทธศาสนาของพวกเราคนหนึ่งพูดทีหนึ่งคนหนึ่งว่าอย่างหนึ่งเห็นและก็โอเป็นเพราะเหตุนี้เองท่านพระพายะทารุจริยะในครั้งนั้นคือเห็นครั้งในศาสนาของพระพุทธเจ้ากัสปะนะ ชุดช่วยรวยแหลมออกมาแล้วก็ทะเลาะกันนะพอทะเลาะกันไม่รู้ว่าใครมีแต่แย่งไปทางลาบทางยศกันมากกว่าที่จะแย่งมรรคผลนิพพานหายากแย่งความถูกต้องข้าพเจ้าจะอยู่ในศีลในธรรมข้าพอยู่ในรักในหลักการประพฤติปฏิบัติรักษาศีลภาวนาหาทางพ้นทุกขนะ์อันนี้มันไม่ทะเลาะใครแล้วไอ้พวกที่ต้องการ ฉื่เสียงบังต่องการลาบยศบังนีน่ะทะเลาะกันตลทีท่านพระภายยะกับหมู่พวกเพื่อน้วยกันสมัครพักพวกกันเจ็ดองแหใคล้ายๆก็ว่าให้เป็นหลอมเป็นหนึ่งเดียวกันเออถ้าหากว่าพวกเราอยู่เน่ยเมื่อกตายฟรีเนี่ยจะย่องแยงไปทำไมเรื่องลาบเรื่องยศได้ไปแล้วเพื่ออะไรมันได้อะไรคนคนเข้าหากัน เราบวชเข้ามาเพื่อหามรักขาผลเราควรจะไปหามรักขาผลดีกว่ า, าไปหาภาวนาตายเสียสละชีวิตเพื่อหามรักผลดีกว่ า, าใครบ้างสมัครใจไปก็เลยได้ได้เจ็ดองหตรงพ่อมาพิจารณาลงเจ็ดองเนี่ยคงจัอจิตใจคงเด็ดเดี่ยวอ า, อาจฐานแค่ว่า ยอมตายเลยแล้วมันเอาสมัครไปด้วยกันเจ็ดองพอเจ็ดไปแล้วก็เข้าไปในป่าโดงพงไพ่ไปเรื่อยนะไปก็ไปเห็นภูเขาแบบที่ว่านะแบบจังหวัดพังงานะ่เราพวกเราไปเห็นจังหวัดพังงาในนัทะเลเราคงจะเห็นที่เป็นหน้าผาสูงสูงเป็นแท่งนะีพระทั้งเจดองคงจะคงจะเป็นช่างมา ก, ก่อนนะคงจะมี มีวิชาช่างอยู่หนะลวงพ่อว่านะอย่างน้อยก็ขึ้นเอาลังนกนางแอนนะ่นเน่อที่สามารถที่จะทําบันไดขึ้นบนภูเขาไดนะ้ถ้าคนไม่ทําคนไม่ใช่ช่างเนะี่คงทําไม่ได้อย่างลหลวงพ่อเนี่ยทาไม่ได้แล้วแต่ท่านตรงเก่งไนะท่านเจดองท่านก็นตัดไม้ไผ่ไม้แห้งนะออพอตัดไม้แห้งมาท่านก็คาดเอาเชือกคาดเป็นสะโพ ขาดขาดขาดเป็นบันไดขึ้นไปอขึ้นไปบนภูเขาสูงๆนะพอขึ้นไปถึงยอดภูเขาแล้วก็ตักต่างองค์ก็ต่างขึ้นไปหละขึ้นไปถึงยอดภูเขาทั้งเจ็ดองค์อยู่บนยอดภูเขาเออบันไดตายตา ย, ตา ย, ตายค่อยๆตายบันไดขึ้นไปพอขึ้นบันไดเสร็จแล้วก็ถามกันเลยองไหนจะลงองคไหนจะลง ลงถ้าองค์ไหนกลัวตายนะลงนะลงนะไปลงไปองค์ไหนนั่นอนะ่ะถ้าองค์ไหนสมัคกใจอยู่อา้อาวอยูบนยอดเขานี้ภาวนาลูกเดียวตายนะอองค์ไหนจะลงอะไม่มีใครลงเจ็องค์เพราะสมัครใจเป็นทหารกล้ า, เ, าเสียสละชีวิตเพื่อธรรมะเลยเป็นทหารกล้าอา้าว แต่ไม่ใช่ทหารเพื่อฆ่าคนนะทหารฆ่ากิเลสไงจากฆ่ากิเลสในใจฮไงสมัครใจอ้าวไม่มีใครลงไม่มีใครลงเหรอไม่มีใครลงหาไม้มากระผักบันไดลงคล่มลงบันไดฮอนะพอบันไดคล่มลงแล้วเกิดอ้าวเลือกเอาใครจะอยู่จุดไหนฮเลือกภาวนาอพนสูตหลังเขานล้วกิหาที่นั่งใครที่นั่งเรา่ะไรสักอย่า นั่งขัดสมาธิกับภาวนาของใครตายเพราะงั้นมันจะลงได้ยังไงเพราะหน้าผามันรอบด้านมันชันรอบทิศเนี่ยเออมีแต่กระโดดกระโดดลงไปก็ตายปีนลงไปก็ลงไปไม่ได้ตายใเออมันลงพอบันไดเนี่ยผลในสุขต่างคนต่างนั่งภาวนาของใครของเราไปจํำที่แล้วไงเออพิจารณาตายลูกเดียวเที่ได้ศึกษามา ในศาสนาของพระพุทธเจ้าก็สะปาที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนมาก็นํนำมาปฏิบัติตเสมระเข้ายัางไงวิปัสสนาเดินยังไงผัวนีสุดคืนนะนะั้น่ะคืนแรกองค์หนึ่งได้สำเร็จเป็นพระรหันธ์ได้สำเร็จนะพอได้สำเร็จเป็นพระรหัน์ท่านก็เหานะเลยแตหแสดงฤทธิตเหาะไปหาบินไปบินธบัติพอบินธบัตมากับมา จะเลี้ยงหมูะ่เอานิมนผมไปได้แล้วนิมนเ อ, เอาอาหารผมมีอาหารมีน้ำมาเลี้ยงหมูเอานิมนมาฉันผมผมผมจะบินทบาทเลี้ยงหมูทั้งหกองค์บอกว่าเราได้ตั้งกติกากันไว้แล้วไม่ใช่เหรอว่าถ้าองค์ไหนไปได้องค์นั้นจึงฉันถ้าองค์ไหนไปไม่ได้ไม่ฉัน เ, เราได้พูดกันอย่างนั้นแล้วใช่ไหม ใช่เด็กจะพูดกันอย่างนั้นเออเอาถ้าอย่างนั้นท่านนิมนต์ถ้าท่านไปได้ท่านไปเลยไม่ต้องห่วงพวกเราพวกเราจะสู้ต่อไปยังเหลืออยู่หององนั้นก็เออเอาพวกท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทนะพวกเราได้ศึกษามาแล้วในถูกต้องแล้วผมผมผมไปได้แล้วอสําเร็จแล้วจบแล้วผมให้พ ว, พวกท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทนะเอาสู้ต่อไป องนี้ก็หายบัดบาดนี้ยังเหลืออยู่หองคหกองก็ภาวนากันอีกอันองค์ที่สองในได้สาเร็จพระอนาคามีเนะี่ยคืนที่สองเนะี่ยพอได้อนาคามีองค์นี้ก็เหาะได้อีกเหมือนกันแสดงฤทธิ์ได้ไปบินธบาติมามาชักชวนหมูให้ฉันอีกหมูไม่ฉันเพราะว่าเราได้ตั้งกติกากันไว้แล้วนะองค์นี้ก็บอกเอออย่าตั้งในความประมาทัหมูนะ <c oughs> ผมไปแล้วนะองค์นี้เกิไปหายแป๊ บ, บอีกเหมือนกันยังเหลืออยู่ห้าองค์นะห้าองค์เนี่ยภาวนาอย่างไงก็ไม่สําเร็จเออพอมันไม่ได้หกินห้าข้าวก็ไม่ได้กินน้ําก็ไม่ได้กินจะอยู่นานเท่าไหร่ใช่ไหมละ่ะงค์ก็ไม่ถึงสองอาทิตย์น่ะอยู่ในยอดหลังเขาอีต่างหาจากนั้นท่านทั้งห้าองค์ก็เลยเมรณะภาพอยู่ที่บนยอดเขาฮะ พอยอดเขาจากนั้นก็ต่างองค์ก็จะไปสู่สวรรค์ชั้นพรมเลยนะพอทันมุ่งมั่นที่จะชาระกิเลสพอไปอยู่สวรรค์แล้วก็ลงมาพระพาหิยะเจะมาเกิดออพอมาเกิดแล้วก็ไปค้าในสะเพาสะเพาแตกมาอยู่ในฝั่งแม่น้ําฝั่งทะเลเะเอย่อากนั้นก็ได้ทำตัวเป็น ผู้วิเศษขึ้นมาจนพรมพรมที่เป็นเพื่อนกันที่เป็นพระอนาคามีอยู่ชั้นพรมอมองเห็นโอ้พายยะเนี่ยทําตัวผิดทางเลยสำคัญผิดอะตัวเองว่าเขาบอกว่าตัวเองได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ก็ว่าเป็นพระอรหันต์ตามเขาว่าเนี่ยมันไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวจะไปนรกนเนี่ยพระพายยะในนั้นน ขนาดเป็นเพื่อนกันเป็นสหธรรมิกกันยังมองเห็นท่านลงมาเตือนภายะเธอรู้แก่ใจว่าเธอไม่ได้สำเร็จเป็นพระรหันเพียงแต่อุปโลกเขาอุปโลกว่าตัวเองได้สำเร็จก็ว่าได้สำเร็จที่แท้เธอลอยคอมาจากทะเลแพเรือแตกท่านเองมาอยู่ในฝั่งแม่น้าไม่มีเสื้อผ้าเขาก็บอกว่าท่านโอ้ เป็นผู้มักน้อยสันโดษนี่แหละคือพระรหันธ์ท่านก็เลยว่าเป็นพระรหันธ์เลยมันไม่น่าจะถูกนี่พระรหันธ์เกิดขึ้นมาแล้วในโลกเดี๋ยวนี้อยู่วัดป่าเชตะวันมหาวิหารพระพุทธเจ้าโคตมะเกิดแล้วท่านต้องไปศึกษาเนี่ยนี่แหละพระพายยะ ก, กเลิดเกิดความละอายขึ้นมาในจิตใจฮิริโอตตปะเกิดขึ้นจากนั้นเขาก็หาเสื้อผ้านุ่ง ให้เรียบร้อยจากนั้นก็เดินทางทั้งวันทั้งคืนเลยจนถึงเดินทั้งวันทั้งคืนทะลุถึงวัดกุงสาววัดถีได้กับได้ข้าไปถึงวัดป่าเชิตะวันได้ไปพบพระพุทธเจ้าที่กลางถนนกุงสาววัดถีจากนั้นก็ได้ฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้าเรื่องทั้งหลายเกิดจากเหตุต้องดูที่เหตุดับที่เหตเุเพราะว่าผลมันมาจากเหตุ มันมีเหตุอยู่ที่ใดผลมันมาจากท่านั้นท่านต้องดูที่เหตุดับที่เหตุพอพระพายยะได้ฟังเพียงแค่นั้นนะได้สำเร็จเป็นพระหันเนะพราเหตุใดก็เพราะท่านไปภาวนาอยู่บนยอดเขาจนพอแหลงแล้วงั้นเถอะพิจารณาได้ภาวนาอยอนโยนบนยอดเขาเนะี่ยเพียงจะบางหน่อยเดียวที่ ท, ท่านจะได้สำเร็จเนะี่ยจากนั้นท่านก็ได้สำเร็จเป็นพระหันนะ ในการฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าในกลางถนนเพียงสามบาทพระคาถานี่นี่แหละมาพิจารณาดูแล้วเนี่ย ก, การปั่นป่วนหรือว่าในาศาสนาของพระพุทธเจ้ากัจจปะมาถึงาศาสนาพระโคตมะอย่างพวกเราท่านทั้งหลายที่เกิดมาสุดท้ายภายหลังใครกวันนี่ละพุทธวจนะนี่แหะพระธรรมคาสอนทั้งที่เราก็เกิดมาทีหลังโดยการทุกคน อจะไปยืนยันหัวเด็ดตีนขาดอย่างนั้นไม่น่าจะถูกเอออันนี้ก็ควรจะฟังเอาไว้นะพวกเราท่านทั้งหลายถ้าเอเชื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอหัวปักหัวปำนะั่ะเป็นหมูเทวทัศน์ได้ไง่ายๆเหมือนกันนะหลวงพ่อว่าน ะ, ะเพราะนั้นต้องฟังอันไหนผิดอันไหนถูกเพราะเราไม่ได้เกิดในครั้งกระโน้นนะอ่านท่าเลย หลวงพ่ออินเนี่ยเกิดมาในครั้างพกศาสนาของพระพุทธเจ้าอโคตมะตะขานนท์ยังไม่ตายกระทั่ง 2,557 ปีเนี่ยเฮ้ยพระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างนี้นะลูกหลานนะจัตไทยญาติโยมนะท่านพูดอย่างนี้ภาษาริบุตรท่านพูดอย่างนี้พระโมกขาราท่านตรัสอย่างนี้ท่านพูดอย่างนี้พระอรนนท์ท่านว่าอย่างนี้เออหลวงพ่อก็จะพูดว่าเนี่อันนี้คือภาษาวกพูด อันนี้คือพระพุทธเจ้าพูดอันนี้พระพุทธเจ้าออกมาจากพระโอษฐ์จริงๆคําเนี้หลวงพ่อก็จะพูดให้ฟังอย่างที่หลวงพ่อไปอยู่กับหลวงตามหาบวัวใช่ไหมอย่างหลวงตามหาบวัวท่านพูดยังไงให้ฟังหลวงพ่อก็มาถ่ายทอดให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังหลวงตาสอนอย่างนี้นะเรื่องภาวนาเนี่ยเราติดสมาธิมาถึงหปีนะ จิต ใ, ใ, ใจของเราอยู่ในสมาธิสมาธินิ้หัวใจของเราในแน่นปึง่ง เ, เข้าเวลาไหนก็ได้เข้าสมาธิอพอกําหนดเท่านั้นแหะจิตใจของเราเข้าสมาธิแล้วอยู่ในสมาธิได้แล้วจากนั้นเราก็คิดว่ามันจะเดินเกิดปัญญาอย่าไปหวังนะขันผู้ไรก็าตามภาวนาจิตใจเป็นสมาธิแล้วจะเดินจะเกิดเป็นปัญญานะอย่าหวังเลยนะเพศเร้อเปอร์เซ็น พูดที่จะเดินปัญญาได้ต้องให้ออกออบังคับจากสมาธิให้ออกพิจารณานั่นแหละเมื่อออกพิจารณาแล้วนะจะเห็นจะรู้จริงเห็นจริงขึ้นมาได้เพราะนั้นเราผ่านมาแล้วในจุดนี้นี่แหละอันนี้หลวงพ่อเกิดมาในเกิดมาในยุคของหลวงตาใช่ไหมหลวงพ่อก็นัานำแนวความ แนวปฏิปทาและแนวความคิดของหลวงตาที่ท่านได้ผ่านสมาธิปัญญามาแล้วนะมาพูดให้พวกเราฟังแต่ในนู่นในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าของเราตั้งสองพันกว่าปีเราจะไปยืนยันหัวเด็ดตีนขาดได้ยังไงมันก็ต้องฟังฟังไว้นะนะตีนะลูกหลานนะทุกคนนะฟังเอาไว้ศึกษาฟังให้ฟัง อย่าไปมวนปักมวปัมทีเดียวก็ไม่ได้ต้องฟังหลักเหตุผลฟังหลายเรื่องหลายราววิเคราะห์ประเมิน เ, เข้าหากันใช้สติใช้ปัญญาให้หากันแต่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจนะ้ามีจริงศีล ส, สมาธิปัญญานะแต่ใครจะหยิบยกเอาจุดไหนมาอธิบายมาพูดเท่านั้นเองนะ วันนี้หลวงพ่อได้ให้แนวความคิดอย่างหนึ่งกับพวกเราท่านทั้งหลายเอาต่อนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พร